เป็นที่ไ ป, ไปนีดนะครับยล้วก็จะช่ยเหลือเรา ในวันนอยู่ให้เรามีโอกาสได้ขอบพระคุณพระองค์ขอบพระคุณพระเจ้าของเราให้เราปฏิหาในการส่วนตัวขอบคุณพะเจ้าสำหรับสองเดือน ช่วยให้ชีวิตสัมภารของเราลอดพ้นจา่าตลอดไปเพ่นน้ชีวิตที่เกิดในโลกนี้เนี่ยนะอาจารย์ท่า <c oughs> นก็ได้สอนจากโรมบที่ดข้อที่แปดถึงสามเก้าว่ า, าชีวิตในโลกนี้ต่ำที่เที่ยงถ้าเจ้าเป็นนักก็อย่างมา ก, ก้ เรื e pace, ่องราวอะไรทุกเข้ามาในชีวิตของเขาไม่ว่าดีไม่ดีกัญญาก็จะเปลี่ยนแปลงให้เป็นเที่ยอะไรครับประมาณเนี้นะครับส่วนวันวันที่2เจะโยก็ได้สอนเราเกี่ยวกับเรื่องตอนนั้นของอะไหรครับสามีภรรยานะครับแล้วก็เป็นคําสอนจากข้าพเจมาทีเดียว บบว่าพระเจ้ามีาบทสนให้สามีแลนภระยานเนี่ยสนทานต่อกันแล้วก็อมีบทบาทหน้ า, านที่ต่อกันและกันอย่างไรพอฟังไปแล้วเนี่ยก็ไม่ต้องดูยอะไรอีกอ่ะนะ <c oughs> ขอบคุณพระเจ้านะครับแล้วก็หมีเป็นกิจกรรมที่นํำเสนอ คือนะครับเป็นเรื่องความร้างของหนุ่มสาวใช่ไหมพระเจ้าประสงค์ให้หนุ่มสาวที่หนึ่งที่เรียนเนี่ยมีแรงขึ้นที่เรียนพัฒนาการเป็นผู้ชยุที่เป็นทีู่งใช่แล้วก็ประการแรกก็ต้องเป็นที่เรียนก่อนต้อมาต้องดูเรว่าเป็นที่เรียนที่ เติบโตขึ้นรักพระเจ้าไหมใช่ไหครับแล้วจะพบได้ไงเราก็ต้ออยู่ในพื้นที่ที่จะพบสิถ้าเราไปอยู่นอกพื้นท้นที่จะพบโคมก็ะเจ้าเรารู้ว่าพื้นที่จะพบคืออะไรก็คือพื้นที่ตัวทีพบปะที่น้องเกียดใช่ไหมครับขอบคุนพระเจ้าถ้าวันนี้ก็าเทศการนะครับ คช้าวันนี้ก็เป็นเรื่องของนาอีอยากทราบคําพิสูจน์สองสมเวับที่23และ1สิงหาคม2569เปิดกัดูด้วยกันนะรับในข้อคพิเดิมนะครับ สองสามเอลสวที่ทีสาข้อหนึ่งถก Okay จรินใช่ไหมครับก็เลยเสียใจมากกระโดดคอนโดลงมาเสีย like ชีวิตพ่อแม่รูกสาวแค่พอใช่ไหมครับแเราคงเคยได้ยินเรื่องนองแบบนี้เจ็บยากอะไรยะจริงไหมครับแนี่คือให้จากความรักตัว ในที่ศึกษาที่น้องที่จหญยืตอนนั้เป็นความรักแท้เป็นความรักที่มด่่าเป็นความรักที่เป็นเป็นจริงๆคในที่ศึกาเ่อสอนภาษางกฤษ่วนที่ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องราวความรักเรือที่เป็นไปครับไทยอก่างมาก้นเย็ที่เราอยกจะาม และเราจะไม่ไปรวงรักใครและเราจะไม่หนู่ให้คนอื่นรวงรักเราเราจะได้ปลอดภัยดีไหมพี่ดีงนจมการของเอท่เรารยนรู้ไทจากความรูจากเขา ถ้อย่างนั้น yup. <po target> เราคงจะต้องอ่านต่อนะครับเราอยู่ในสองซัมเมเดโอขวดที่สิบสามข้อหถึ่งก็ยี่บเก้านะครับอ่านไปแล้วข้อหกใชครับทีนี้อ่านข้อเจ็ดถึงข้อที่สิบสีครับ ก็ขอพ่อว่าให้ํามามาอะไรครับทำขนมที่กินใช่ไหมที่บ้านของอะไรครับอำโนนอำโนนทำตามคำแนะนาของเชื่อนชื่ออาครับใช่แช่อยู่ระดับไหนทำทำตามแล้วก็ได้ผลพ่อก็เลยพ่อไปดาวนี้ ก็เลยไปให้คนไปบอกกับนางสาวตามาว่าให้ไปบ้านของอันโยนไปทำา น, น่นแค่ไรก็ทำโน่นนออไปเลยนะบอกเลยวาทำโนวนไล่ค น, น, น, นออกเปหมดเลยแล้วลชวนสาวตาม า, าให้ด่านด้วยกันจะยอมไหมไม่ออยอมผมทาไม่ไดนะ้เป็นสิ่งที่ต้องทากัน แล้วก็เกิดเหตุสีแ้วกทำนะเ ง, งน ด, ด้วยทำเ ง, งิน ด, ด้วยแต่ว่าทำเ ง, งนาก น, นะครับฝาแล้วก็ให้กำลังอะไรครับผมเจอนี่คือเรื่งย อ, ยอตามหลวงอที่ว่าใครจากสอบมากกะไร มาารแรกคืออะไรครับหคืออะไรครับตามโคงร่างในบทเรียนหนึ่งอะไรครับเออความสวยก็เป็นถ่ายเลยนะอ่าทามาเนี่ยทีไฟตัวรูกนะั้นหน้าต า, าดีะะหลัเจอใช่ไหมครับใช่ มันเยอะอ่ะเอ่อหญิมีชุดน่าหน้าตาดีก็นักจะมีชายที่สนใจในในเรื่องของอะไรครับชุดน่าหน้าตาไปอะไรครับเป็นสนใจจริงไหมครับแล้วก็อันตราย แต่ว่าหญิงที่อาจจะไม่ได้สวยมากแล้วก็ไม่ได้ที่เลยแต่ว่ามีลักษณะที่ใสดีมีการที่ที่ทายที่สนใจก็เป็นทายที่รู้ว่าคนที่จะมาเป็นอะไรครับผู้ชีวิตมาเป็นแม่ของลูกผมเชื่อว่าดีอย่างแน่คุณไม่ครับ แต่ไม่ได้หมายควว่าคนรวยจะมีขนาดอยู่นนยไม่ได้นะอันนี้ไม่ได้ปลุกขาให้กับคนไม่รวยหรือคนร ว, วยกาักาทั้งนั้นคนธรอยู่ที่เราเราให้สิ่งนี้สาวเออแบบแค่เออเราจะใช้สีปวดเรื่องร่างของเราด้วยากนันน่นเป็นไจมันจะนาอะไรกลับไปสูส่ตัว ถ้าต้องเทีทิ่เราหวดควรวม่างของเราหทายยี่มากะใช่ไหมครับถ้าสองที่หมว่าให้แต่งตัวนะครับสี้ารียูัถ้ารูร่างหน้าตาดิแต่งตัวสุภาพเป็นักลายเลยถ้ารูรงหน้าตาดี ไปแต่ตัวให้สุภาพยิ่งเลยครับอันตรายก็อย่ความสวยก็ไม่ใช่นะถ้าใครรู้ตัวว่าสวยต้องรีบแต่งตัวให้สุภาพสุภาพอย่าสร้างใช่ไหมครับอย่าลอยนะครับอย่าอย่าอะไรครับเพื่ออย่าเปิดกว้างนะครับ มาดูต่อนะครับประการที่สองนะออะไรจะตามต้องวมเป็นอะไรครับนประการที่สองเปืออะไรครับตามที่เราไปไอ้ข้อหนึ่งและข้อสองความรักที่ยำโทนมีต่อทามานนะครับีเป็นความรักตัว เพราะีกว่างได้ไหครับอือต้องการทํามานั่นเองใช่ไหมครับไม่ได้พิถีพิถันเลยใช่ไหมต้องการตัวธรมานัวนเองนี้คือปีกว่างได้ไม่ใช่ปวาลนะ ความรักนั้นก็ต้องทำคุณให้กางมีคนอื่นอที่อะไรครับความรักไม่อยากใายแต่ที่เขาจะ้กำลังคนถึงใจเลยนะครับแล้วความรักตัวแบบนี้เนี่ยก็นำไปพาถึงอะไรครับเออคนที่เขารักและตัวเขาเองด้วยใช่ไหม ทางมาเขาเตืยนเพราะว่าอย่าดามเพราะว่านจะเป็นผลเสียต่อเขาเองและเป็นผลเสียสําหรับเราด้วยและการเราได้ยินกลับมาเนี่ยเป็นผลเสียต่อคนที่เกี่ยวข้องโดยักเรืองนําด่ายจากเรื่องนี้เราได้เห็นว่าความรับรองที่ได้ และเรายังมีตัวอย่างความรักตวนี่อีกนะครับหรือว่าเป็ในจอตัวอย่างความรักตัวรักข่ออะไรครับมนเป็นโยร์อ่าเนี่ยนะเอ่ออาจจะเป็นเพราว่านะเาดังเท่ที่อายุเยอะๆใช่ไหมครับ มาสนใจผู้หญ hmm. ิงเทชียเนี so ่ยแล้วผู้หญเอียก็เลยอะครับก็ดีเดี๋ยวพิคนมาเี้ยงดูใช่ไหมแล้วก็ให้อะไรเยอะแยะไปหมดเลยก็เลยบอกโอเครับรักไปแต่ต่อมาเนี่ยไปเจอหนุ่มที่ไหวใกล้เคียงกันเข้าแล้วพอจนก็ก็เลยอะไรครับทิ้งทิ้งคนที่ชาติหนึ่งอายุ จากนั้นที่สวยก็ไม่รู้ทำไรปีทึ่สองไปปัน่นปั่นว่าต้องเดือดร้อนคนที่จะมาช่วยเลยนี่แหละครับตัวอย่างของความรักตัวรักเขา อ, อะไรครับอะไรครับอันที่องอะไรครับใช่ทั้นผู่ผิดหวังความรักมาแล้วก็มาเจอกันแล้วก็อะไรครับ ที่เป็นเาคู่ก็เลยอะไรครับก็บอกว่าเร า, ารักที่แข็งแรกันแต่พออยู่กันไปอยู่ไปเข้ากันไม่ได้เลยแล้ ว, ออรรลวาากออว็อะไรครับแตกแยกแล้วลูกที่มาจากพ่อแม่แตกแยกเจอแล้รับ็นเดียวครับลูกก็หงายอะไรครับนักข้ออะไรครับใช่ ตอนที <ả> ่เอสิบกว่าที่สิบกว่ามันก็กลัวแหะแต่พอตัวเลขเลยไปทีทีเรากลัวครับกลัวกลัวจะขึ้นอะไรครับบอกเลยนะก็เลยครับไก่ก็มาอะไรว้ามาเลยนักข้าตางตัวนะความนับดูดีๆถ้าเราบอกว่าไอเดนแกนเนี่ย เราต้องศึกษาที่ต่อถ้าต้องมีรักโอวเราเชี่ยบกันด้นยครันควจะเป็นสามัคคาักต้องมีรักจานนะใช่ไหมครับถ้าต้องหวา ว่าเราเป็นคู่ที่ดีที่สุดเดี๋ยวเราจะเจอดีดีเป็นเนื่อๆอ่ะารย์ครับอาจารย์ไปงานแส่งงานของลูกเพื่อนเขาแกรรัดฝ่ายหลวงก็เลยขงนะเจ้บอกวเจ้าสาวนะว่าเต้องจับคอ่นะ หังจะกไกา์งานไปแล้วาไหท่านพูดเป็นไปได้ท vale okay, ี่เจอคนที่สุกดีกว่าอาจารย์ครับแต่ต้องรู้จักถ้าเรารู้จักพอนี่มันก็จะไปรื้เรื่แล้วก็จะเป็นป่าอยโอเคนะครับเราได้เรียนรู้คลามรั คือความน่าจะเป็นว่าที่เราจะต้องมีอยัางความบ่าจะเป็นแบบนี้ใช่ไหมครับต้องคุกับคนไทยนะคนที่ว่านะให้ความนทุกส่วนที่เกี่ยวข้อประการที่สามนะครับ เพิ่มมันเต้าทุกเช้าเลยก็รู้วมสังเกตก็เลยไปถามเพื่อนนะที่เป็นเจ้าชายใช่ไหมอ่าเป็นลูกของใครเจ้าชายเป็นไรเหรอบอกกระบอมบ้างเจ้าจายก็บอกจากเลี้ยงเลี่ยงนะไม่ทำมห้ทําลยใน่าหมครับาะว่าได้กับผู้ใหญ่นะ พ่อมาเยี่ยก็ขอพ่อเลยให้สาวเจ้าาทำขนมให้กิ น, นใช่ไหมทำขนมเคี่ยวไหมทำขน ม, มไหมแล้วทำขน ม, มเป็นไผรไหมไม่ว่าถ้าเรามีปัญหาเรื่องความรักใครที่เราไปขอคำแนะนำใครเงี้เพื่อนหรเป่ า, าเออ กาถม่อปดูว่าได้เป็นไงนะก็มีปัญหาเรืองว่า <c oughs> แล้วก็ถามเขาว่าเคยไปขอคำแนะนำจากใครไหมอ๋อขอคำแนะนจากเพื่อนแล้วเพื่อนแนะนำว่าอย่างไงถ้าอยู่กันไม่มีความสุดมันไม่ได้ก็อย่าหยาบเลย <c oughs> ผู้ศึกษาเขาถามว่าะะเข้าจำเพี่ยนอายุเท่าไหร่ขอรุ่นลาพอเดียวกันผู้ศึกษาก็ได้บอกว่าอ๋อถ้ารุ่นลาพอเดียวกันเข า, าเก็จะให้คำแนะนําได้แก่นั่นแหละั่เข้าใจนะครับมันตรงประเด็นะ เรื่องราออเดียวกันเข้าเข้าใจชีวิตไหมข้ามประสบการณ์ชีวิตไหมถ้าเรามีปัญหาเรี่กงควาเราควรจะไปหาใช้พยานหรือที่พี่พูดเด็กโตในชีวิตเราควรหาพ่อแม่ ที่เติบโตขึ้ที่นะครับไม่ใช่แตหนาวเยื่อหาที่เอายุอะไรครับไม่เหมือกันบางนหักเข้าไปใหญ่เลยคนทั่วไปเนี่ยไปหาหมอดูอาจารย์เดินผ่านแถงหมอดูตัวผัวสาวเจ้าหมอดูมันจให้คำแนะนาเรื่องค่าหลัก เราไปไปหาอะรครับคนที่นะอยู่จากราศีต่างต่างท้งเหนือก็มี Thank you. ที ker, Facebook, orous, ่เราเที่ยวเป็นเฟซบ o ๊อะไรๆครับลายหญิสาวหลายคนติดต่อกับชายแปกหน้าผ่านพวกนี้แล้วชายก็ถูกทอดลอาติดต่อกับคนแปลกหน้าเลยคนขึ้นหน้าบางทียังอันตรายอยู่แล้วไม่คิดทอกับแปลกหน้า น่เลยครับปกสิบเก้าหกสิบห้าห้าห้าใช่รับ ขาดในรอบที่นะครับในสองสบ๊าฟเท็่ 23, 95, 75, 79, 79, 78, ก9 7 อ๋อคือพ่อหกครับครับคุณคุณที่อย่างอ่ะ แต่ทำเงิแต่ว่าพี่ชายอของอาจารย์เขาเขา ร, ร, ารู้ว่าน้องเขาถุดจะทำใส่ขเขาเกียบงิมากนะคต่อมาเขาใช้สมดเขาฆ่าเขานะ้รับผ่ด้วยับนะแล้วเออานคนเอง จที่มยืนึ้งเที่เราโผล่กันแค่